คือหนูอยากทราบว่ า, เ, าเวลาเวลาใส่บาตรหรือเวลาทำบุญนะคะแล้วอยากแผ่เมตตาให้กับ เ, เจ้ากรรมนายเมรหรือว่าแผ่เมตตาให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่ า, าวิธีที่ถูกถูกต้องหรือคำพูดที่ถูกต้องให้กับให้ไปถึงเนี่ยต้องต้องทอํายังไงนะคะ่ะเนีก็พอเรา ประมูใส่บาททำความดีแล้วแม้แต่มาสวดมนไหวพ้พระมาฟังธรรมเนี่ยก็ได้บุญกุศลแล้วแล้วเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วก็อุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาไทยนึกในใจเลยแล้วปรารถนาอนึกในใจปล่อยปรารถนาให้เขาอที่เกิดบุญกุศลในขอใหอม้มีความสุขพ้นจากทุกข์เถิดเรื่อาตินี้ก็ได้คือต้องต้องต้องเรียนมาจอย่างไหมคะสมมุติว่าอยากจัดแต่ว่ า, าบุญกุศลนี้จะเสร็อยากจะให้ กับทั้งพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เรื่อยมาถึงแต่ว่าพ่อแม่หรือเจ้ากรรมในเวรแบเนี้ยต้องเรียงลำดับไหมครับเวลาแผลไม่ายนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ต้องให้ท่านเรา อ, อันนี้ท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านไม่น่าแล้วท่านพ้นทุกไปแล้วเราก็แผลให้แก่ผู้ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกินั้งหมดแล้วก็นึกถึงพระพุทธประรมประสงค์ตั้งก่อนก่อนแผลแล้วเราก็แผลให้ท่านด้วยใจ ให้ออกไปจากใจอย่าไปกังวลกับไอ้ตัวภาษาบาที่เรากังวลกับภาษาบาลีที่เราจะต้องสวดเลยจะมันไม่ออกจากใจให้นึกน้อมในใจจริงๆริปรปารธนาให้เขาได้ดีมีสุขพ้นจากทุกข์อะไรแล้วปารธนายัางไงก็บอกไปในใจเน่ยแค่นั้นแนมก็บอกรวมๆไปซะก่อนใหแกสัรประศัส ท, ทั้งหลายแล้วก็เจาะจงเจ้ากรรมในเวนบิดามารดาแล้วก็บอกไปแบบว่าทั้งทั้ง รวมทั่วท่วไปแล้วก็เจาะจงหรือจะเจาะจงก่อนแล้วก็รวมทั่วไปหรือจะทั่วไปก่อนแล้วก็มาเจาะจงก็ได้แล้วแต่เราอืให้ทั้งทั่วไปแล้วก็เจาะจงเจ้าการรมเจ้าการรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเราบิดามารดาคนที่เรารักใคร่ก็เจาะจงแล้วก็ทั่วไปแต่อย่าลืมนะต้องเระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนนะเราเคยเห็นคนที่แผลไม่ตาไปโดยที่ไม่ได้เราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่า ได้บทแผ่เมตตาภาษาบาลีเขาไม่ต้องนโมตัส萨สามจบตอนนี้พมไม่นโมตัส萨สามจบหรือไม่แล้ลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ต้องนโมตัส萨ก็ได้แต่ขอให้เราลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็คือว่าต้องอรัตนาพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์วาเป็นประธานแล้วเราก็แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเขาได้รับเลยโดยไม่ต้องนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์แต่เจ้ากรรมในเวรไม่ยอมเลย พอไปแผ่เมตตาให้เจ้ากันในเวรโดยไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อยเอานะมันทําร้ายเอาเลยอ่ะพอเจอตัวกันปุ๊บมันซัดเอาเลยมันไม่ยอมหรอกเหมือนกับว่ามันโกรธแค้นแคนเคืองกันเป็นหนี้กันเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปหาเ้าดื้อเลยปะฉันมาขอเาามฉันมาขอยอมความกับเธอมาขอมาขอไก่เกี่ยมันต่อยเอาเลยก็รังมโหเนี่ยมันเตีอามันทําร้ายเอาเลยอะเพราะเนี่ยเวลาที่กขาเข้าไก่เกลี่ยถึงถึงให้ไก่เกี่ยในศาล มีสารเป็นประธานมันก็เกรงใจไม่กลา้าไม่กล้าต่อยตีกันนีเวลาเราจะแผ่เมตตาให้เจ้าการในเวรเราต้องลึกรารึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระยโยทรงมาเป็นม า, มาเป็นประธานไม่งั้นนะ่ะไม่ยอมเลยไม่ยอมมันหันหลังให้อย่างเดียวน่ะมันจะมันสัดได้มันซัดเลยหันหลังให้อย่างเดียวไม่ยอมหันหน้ามาหาเลยแต่พอเราลึกถึงพระพุท ธ, ธพระธรรมพระสงฆ์ก็เกรงใจต้องหันหน้ามาฟังพอหันหน้ามาฟังบ่อยๆก็ให้บ่อยๆบ่อยๆเขาก็ใจอ่อน เหมือนไก่เกลี่ยในสารนะไก่เกลี่ยไปไก่เกลี่ยมาพอมีสารเป็นประธานเขาก็ยอมนะว่าเป็นภาษาไทยไปเลยลูกไม่ต้องบาลีก็ได้นึกในใจแต่สาคัญที่สุดคือออกจากใจต้องแผ่เมตตาออกจากใจแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยแผ่เป็นคําบริกรรมได้เลยอย่างถ้าเราไม่ชอบพุทโธพุทโธพุทโธเราก็แผ่เมตตาเนี่ยจะเป็นคำบริกรรมแทนคําพุทโธเลยแผ่จบแล้วก็ซ้ํำอีกจบแล้วก็แผ่อีกจบแล้วก็แผ่อีกจบแล้วก็แผ่อีกจบแล้วก็แผ่อีก ซ้ำอย่างเนี้ยทั้งวันทํางานกิจการงานใดก็มีสติสัมปชัญญะทํากิจการงานนั้นไม่ให้ผิดพลาดแต่ในใจก็แผลไม่ตาซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ ำ, ซ, ำซ้ำอยู่อย่างเนี้ยจบแล้วก็แผลอีกจบแล้วก็แผลอีกจบแล้วก็แผลอีกเหมือนกับเป็นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเลยเมื่อเราแผลเนี่ยหลวงตาใช้อย่างหลวงตาก็ได้ตัวอย่างนะนี่เป็นยกตัวอย่างของหลวงตานะของคนอื่นเขาก็มีวิกรรมวิธีของเขาไปของหลวงตาเนี่ยเวลาแผลไปเนี้ยมันแผ่ไปตอนแร ก, แรกตอนฝึกใหม่ๆเนี้ย แผ่นึกแผ่ไปทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดไม่มีมาเนี่ยกําลังจิตไม่พอรู้เลยคือเวลาเราแผ่ทีเดียวแผ่ไปทุกทิศเนี่ยกําลังจิตมันไม่พอกําลังจิตไม่พอหลวงตาก็ใช้แผ่ทีละทิศว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ <S <S ที่อยู่เบื้องหน้าหลวงตาเนี่ยอยู่เบื้องหน้าหลวงตาทั้งหมดเลยที่อยู่ด้านหน้าเบื้องหน้าทั้งหมดเนี่ยก็ขอให้ได้รับ ส, วบ ส, วบสว่วนบุญกุศลมากไอ้ได้รับส่วนบุญกุศลที่หลวงตาทิศให้โดยที่ ไม่มีที่ไม่มีไม่เลือกที่รักมากที่ชังคือให้หมดเลยที่ชังไม่มีให้หมดเด๋วทั้งไม่ติดขัดว่าไปถึงใครแล้วสะดุดว่าคนนี้ไม่ให้เราเจ็บแค้นแค้นเกลื่งค้างคาเขาตอนแรกใหม่ๆมันก็ตอนที่ฝึกใหม่ๆมันก็มีอยู่คือให้ไปแล้วก็ไปสะดุดบางคนที่เราไม่ชอบเขาเราเลยไม่มันเลยแผ่ไม่ออกแต่รู้เลยว่าพอพอไปสะดุดคนหนึ่งเนี่ยแผ่ไม่ออกมันแผ่ไม่ออกทั้งหมดเลยพอแผ่พอปุ๊บไปเจอคนนี้มัน มัวแต่ไปคิดถึงเรื่องของคนนี้วันแรกที่แผลปุ๊บมันก็เลยหายเลยสะดุดทุกทีเลยเลยเราต้องแกะต้องจุดออดตรงนี้ให้ได้จุดบอดคือพอไปเจอแผลไปไปเจอคนนี้ปุ๊บมันแผลไม่ออกแล้วก็หมดเลยไปไม่ได้ไปถึงเจ้ากรรมในเวรไม่ได้เลยรู้เลยอะรู้แก่ใจว่าโอ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องแก้ให้ได้ต้องพยายามแก้ไขให้ได้ก็เลยพยายามให้อภัยเมตตาให้อภัยไม่ถือสาเมตตาให้อภัยไม่ถือสา เมตตาเขาให้มากที่สุดมาก่สุ ด, ดเอาเขาก่อนเลยคนแรกต้องผ่านคนนี้ไปให้ได้คนอื่นถึงจะได้เอาเขาเลยเป็นตัวตั้งเลยแล้วต้องให้เขาได้ดีมีสุขพนจากทุกข์ให้ได้จากใจของเราพราบว่าตะลแพ่ไปเย่อะแพ่แพ่แพ่แเอาไปถึงตรงนี้ปุ๊บแวบหายในใจเราเลยโมจะไปคิดถึงคนนี้เนี่ยันนี้ไม่ชอบมันเว้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่พอใจอ้าวแพ่ก็ไปเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาไปทำไมเอาคนใ น, านี้มาตั้งไว้เลย เห็นว่ามันเป็นจุดบอดก็ตั้งเลยเอาคนนี้มาตั้งแล้วก็แพ่ไปออกไปจนกระทั่งแผ่ทะลุ ค, คนนี้ได้พอแพ่ทะลุ ค, คนนี้ได้เสร็จแล้วไม่ติดขัดแล้วป่าทนายเข้าดีดมีสุพจนทุกจักใจของเราจริงๆต่อไปก็แผ่ไปด้านหน้าไป น, นั่นแต่จักรวาลนี่ก็โอเคใครอยู่ด้านหน้าเราทั้งหมดไม่ว่ามนุษย์กดีไม่ใช่มนุษย์กดีตลอดจเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดบิดามารดาเสามีภรรยาลูกหลานอะไรเราก็ให้อย่างเมื่อเช้าเรานำแพร่เมื่อเช้าเนี้ให้หมดเลยสัพพสัตว์แบบนี้ แล้วก็ให้ทิศเบื้องหน้าทั้งหมดอ่าทีลยทิตยจนออกจากใจเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่า อ, อกจากใจเราทั้งหมดในร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็อาทิตยอพอพอเบื้องหน้าเสร็จลุงตาจะเอาทิศเบื้องหลังให้มันตรงมันข้ามเดี๋ยวมันงงก็หรือใครจะเลียเล้ยงเลี้ยงวนมาตะวนมาทางขวามือก็ได้วนมาทางซ้ายก็ได้แต่ลุงตาเอาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเอาเอาทิศทิศเดี๋ยวงงไว่าเราไปทิศไหนแล้วก็เอาทิศหน้าเสร็จแล้วก็มาทิศข้างหลังเราตอนทํำใหม่ๆนะ เวลาแผ่ออกด้านหลังแผ่ยากมากเลยเพราะว่าเวลาเรามองอะไรเราเราจะมองออกข้างหน้าเราไม่เราไม่เคยมองข้างหลังอ่ะแต่เวลาพอนึกน้อมจะแผ่ให้คนข้างหลังเนี่ยโอ้แผ่ออกยากมากเลยตอนใหม่ๆเนี่ยแผ่ไม่ออกเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังเราเจะทําความรู้สึกยังไงว่าให้ไปข้างหลังเนี่ยทุกทีเรามองอะไรมันไปข้างหน้าแต่พอเราจะแผ่ออกข้างหลังมันไม่ยอมไปโอ้ทําอยู่นานมากเลยเนี่ยแผ่นานมากเลยว่าให้มันออกไปทางด้านหลังเหมือนกับมันออกเหมือนเหมือนออกไปด้านหน้า เรแผ่แผ่แผ่แผ่นึกน้อมพูดที่อยู่ด้านหลังเราทั้งหมดอะซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้พอทําบ่อยๆก็านานๆครับมันก็แผ่วออกไปได้เลยถูกอา น, า น, กกกนันต์จักรกวางตอนนี้ก็เริ่มสองได้สองทิศแล้วเอามาทิศด้านซ้ายด้านขวาบ้างก็แผ่ทิศด้านซ้ายด้านขวาเอาได้สี่ทิศแล้วก็เสียงทะแยงมุมแปดทิศเอาพอได้แปดทิศแล้ววอ อ, ออกไปได้แปดทิศถึงอา น, า น, กกนันต์จักรกวางไม่ติดขัดอะไรเลย ก็ไปอากาศด้านบนหัวเราทั้งหมดด้านบนศีรษะเราเนี่ยขึ้นไปออกไปได้จนถึงไม่มีที่สุดในมบานถึงอันันเจอจกักรวาลวืบไปได้แล้วแล้วก็ตรงทิศเบื้องล่างเราทะลุใต้ดินไปสู่อันันเจอจักรวาลเบื้องล่างใครที่อยู่ใต้ดินเราเนี่ยอยู่ใต้เราไปทั้งหมดไม่ว่าสรตวสัตว์ทั้งหลายก็แผ่ไปใต้ดินไปทะลุอันันจักรวาลวืบไปจนได้ทั้งหมดสิบธิศพอครบสิบทิศแล้วต่อไปเราก็ฝึกฝึกจนกระทั่ง นึกน้อมทีเดียวออกไปสิบทิศเลยตอนนี้กําลังจิตเรามีนะแต่ต้องไอๆทีละทิศละทิศนี่ทําอยู่นานนะทําเป็นเดือนทําทําพอแผ่จบแล้วก็พอจบแล้วก็ซ้ำจบแล้วก็ซ้ำจบแล้วก็ซ้ำจบแล้วก็ซ้ำจบแล้วก็ซ้ำเป็นคาบริกรรมเลยทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมก็แผ่นั่งนั่งสมาธิก็แผ่ทํางานก็แผ่ทํากิจการงานใดเ ข, าเขา้าน้ําวงส่วมก็นั่งแผ่ดนะ้เนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนก็แผ่ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำเนี้ย แต่จะเป็นคําบริกรรมอะแทนคำบริกรรมพุทโธเลยพอมีกําลังแล้วเนี่ยออกสี่ะทิศพอได้กําลังเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนี่ยไปสู่จั ก, ก, กรอนันต์จักรวาลทุกทิศแล้วต่อไปนึกน้อมทีเดียวให้ออกทีเดียวสิบทิศไม่หม่ยากมากเลยเพราะมันมันทีเดียวสิบทิศ ต, ต้องใช้กําลังมากนึกน้อมไปทีเดียวสิบทิศพอนึกน้อมได้เต็มที่สิบทิศแผ่วลไปทีเดียวสิบทิศอ้ไปได้หมดเลยส่วนอนันต์จักรวาลไม่ติดขัด พอไปได้สิบจิตโอ้ใจมันใหญ่มากเลยแต่นี้แผ่ซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซ้โอ้ยวันหนึ่ะแต่ก็มันก็ได้ประมาณจำไม่ได้ประมาณสองสามเดือน่ะรู้เลยว่าทำไมใจมันเย็นอย่างเงี้ยมแผ่ไปแผ่ลไยใจมันเย็นเหมือนน้ำอมฤตยิ่งแผลไปใจมันยิ่งสงบล่มเย็นเหมือนน้ำอมฤตฉโลมใจมันเข้าเป็นก้นบึ้งหัวใจลึกมากเลยอ่ะ เย็นเหมือนน้ำอมฤตฉโลมใจอยู่ในก้นบึ้งหัวใจมันเหมือนในในก้นบึ้งหัวใจมันมีไอจุดเยือกแข็งอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเย็นและเยือกมากเลวมันอยู่กัก้นบึ้งหัวใจอะวันหนึ่งมันมันแผ่ไปไอไอที่มันเหมือนไอไอจุดเยือกแข็งอะไรที่ก้นบึ้งหัวใจเนี่ยมันค่อยๆมีอํานาจล้ามออกมาล้ามออกมาล้ามออกมาเขื่อนแตกไอเขื่อนที่มันเหมือนในใจเรานี่เป็นเขื่อนเขื่อนกั้นเน่ะ มันแตกเราเบิดบึมออกไปโอ้โยน้ําจิตน้ําใจที่มันมันมันมหาสาลที่เราแผ่ไปน้ําจิตน้ําใจเนี่ยมันเคลื่อนแตกมันไหลทะลักออกไปทุกทิศทุกทางบึมบึมบึมบึมบึมบึมบมออกไปโอ้ยขนลุกหมดเลยทั้งตัวเหมือนกับตัวนี่แห้งไม่หมดเลยมันไหลทะลักออกไปสู่อนันตจักรวาลทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดไม่มมาเนี่ยโอ้เลยรู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยถ้า ขนาดจิตนั้นน่ยถ้าอธิษฐานจิตนะโอ้ยศักดิ์สิทธิธ์ที่สุดเลยอธิษฐานจิตลงของอะไรต่างเนี่ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดเลยอํานาจมเมตตานี่มีอํานาจอันที่สูงมากเลยก็ไหลบึ้มออกไปทุกทิศทุกทางตอนนี้พอกลางวันไปทํางานวันทีดูตอนตอนเดินทางไปไปเห็นอะไรก็ใจก็มเมตตาไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรอย่างเห็นเขาหาา ขนมคนแก่หาขนมขายข้ามถนนเราก็กลัวเขาจะรถชนเขาอยากให้เขาขายดีเขาอยากจนมีคนแก่บหาขนมขายอย่างเนี้ยหาขนมไปเป็นห่อๆอะไรเงี้ยนะครั้งที่นั่นบางทีเด็กเจ็บไข้ได้ป่ว ย, เ, ยเอี่ยไปเจอลูกลูกของนายทหารบ้างแล้วก็แม่แม่ของหมอที่โรงพยาบาลจุฬาตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เมตตาว่าหายจะไปายป่วยให้ไข้นะขอให้ทุกท่าทุกขาทุกขาเป็นปกติแล้วเราก็กลับ แต่พเรากลับไ ป, ไปไปตัวของของแม่หมอแล้วก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ลูกลูกของนายทหารตัวร้อนเป็นไฟเลยร้อนจี๋เลยอ่ะก็วหวิ่งตามหมออย่างเลยแล้วก็เอาอประหลอดมาวัดหมอบอกว่าไม่มีไข้ประหลอดไม่ขึ้นแต่ตัวมันร้อนเหมือนไฟเลยแต่ประลอดไม่ขึ้นเหมือนกันเลยเพอไปเจอหลายหลายคนเข้าเลยเลยงงเลยแต่เขาเริ่มผิดปกติแล้วเขาบอกว่าพอหมอบอกว่าประลอดไม่ขึ้นไม่เป็นไร เขานึกถึงเราเลยโทรสับมาหาเราแต่ละลายบอกว่าอาจารย์แม่ผมตัวร้อนเป็นไฟเลยแต่หมอวัดตลอดไม่ขึ้นลูกผมตัวร้อนเป็นไฟวัดตลอดไม่ขึ้นเออเราเลยรู้ว่าโอ้ยเวลาเราให้เราไม่ให้หมดหัวใจเลยแต่เขารับไม่ไหวธาตุขันเขารับไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้ให้ทั้งเขื่อนเลยน้ำทั้งเขื่อนยกให้หมดอย่างงี้ไม่ไหวตอนนั้นไม่มีประสบการณ์ครั้งแรกเลยต่อไปต้องอธิษฐานบอกว่าไหลไปแต่เพียงพอดีสมดุล ต้องต้องกำกับไปด้วยว่าเข้าไปรักษาจะาเพะที่พอดีและสมดุลตามธรรมชาติเป็นปกติตามธรมมมธรมชาติสมดุลตามธรรมชาติเพราะเรากํากับไปอย่างเงี้ยก็หมดปัญหาเมื่อก่อนไม่รู้ก็คือมีเท่าไหร่ให้ไปเต็มเต็มเลยมีเท่าไหร่ก็ให้เต็มเ ต, ม, เตมก็คือยกน้ำทั้งเขื่อนทลายให้ไปเลยอย่างเงี้ยเด่นน้ําจิตน้นําใจเขาก็เดือดร้อนเดือดร้อนคือมันมากเกินรับไม่ไหวธาตุขาดรับไม่ไหวดีนะไอแผ่เมตตาเนี่ยอ น, นิสงค์พระเจ้าตรัสว่า มีอาิสงถึงสิบเอ็ดประการอา น, นิสงถึงสิบเอ็ดประการนี่จากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าเองนะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยไม่ตายด้วยคมอาวุธใดๆเนี่ยรู้สึกวา่าจำไม่ผิดไม่ตายโงด้วยแล้วก็เป็นที่ลค่ายของมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตายแล้วมีสุคติพบเป็นที่หวัง เข้าฌานง่ายได้ดูดพลิกฝ่ามือเหมือนลมพัดไปในอากาศเลยเนี่ยเข้าฌานง่ายมากเลยเข้าฌานง่ายได้ชานฤสีเนี่ยวิโตวิจารปิติสุคุเบขาเข้าฌานง่ายได้เหมือนลมพัดไปในอากาศเหมือนพลิกฝ่ามือเลยเนี่ยอํานาจเมตตาบรารมีนี่มีอา น, นิสงส์จ้าตัดจำพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอา น, นิสงส์ถึงสิเประการยิ่งใหญ่ามากนะทําไว้เลยอันนี้ดีมากเลยถ้าใครทําได้นะหลวงตาเขาทำสมัยก่อนเนี่ยทำจน กระทั่งแบบว่าเดี๋ยวนี้เวลาพออธิษฐานออกไปทีเดียวสิบทิศมันฟุบไปได้เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมยากพอฝึกบ่อยๆทุกอย่างต้องเกิดจากการฝึกฝนอ่าใครถามอะไรต่อเรือ่องการสนทนาขออนุญาตถามอีพันนะคะคือมันเป็นข้อสงสัยค่ะท่านอาารย์โ้สงสัยเกี่ยวกับว่าคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย และพอรู้ตัววเองเป็นลูกหลายแล้วก็วเกก็ ว, เว่าจะเป็นภาระลกรูกหลานหรือว่าเกิดจากอาการป่วยเจ็บค่ะทางการแพทย์เี่ว่าลูกซุซมเศร้าค่ะแล้วบอกว่าจะทําให้อ่าร่างกายผลิตฮอร์โมนออกมาทําให้จิตใจคิดวนเวียนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสุดท้ายก็เป็นฆ่าตัวตายนี่นะคะคุณหมตอตาเราอยากทราบว่าการที่คนที่ไปทำแบบนี้แล้วยังอมีสิธ์ที่จะ ได้ไปสู่สุขติพบไหมแล้วถ้าลูกหลานจะทําุญบุญทิไปให้อย่างเมื่อคืนนี้เราถามหลงตาหลวตบอกว่ า, า, ก, วาการแผ่เมตตาให้ก็ถึงค่ะทำบ่อยๆที่ท่านหลวงตาบอกแต่ทีนี้ก็อยากทราบว่าผู้ที่ป่วยเป็นแบบนี้ถ้าทําแบบนี้โดยเกิดจากไม่ได้เกิดจากจิตใจที่อยากจะ้มันเกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือว่า ไม่อยากเป็นภาระอะไรเงี้ยค่ะความที่เป็นห่วงลูกนะตัดขนาดีต่อวลูกหลา น, นาลาลลาเลยไปทําแบบนีน้เป็นบาปมากเลยค่ะท่นบอกค่ะค่าตัวตายก็เป็นบาปอยู่แล้วแล้วก็แถมค่าตัวตายในขณะที่จิตซึมเศร้ามันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็ต้องไปอบายเพราะว่าหนึ่งในกระจิตซึมเศร้าเป็นมีความทุกข์ใจก็เป็นทุกข์อยู่แล้วความนรกอยู่นี่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าขณะตายใจเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นนรกอยู่แล้ว ทุกขณะปัจจุบันแม้แต่เราไม่ตายทุกขณะปัจจุบันใจเป็นทุกข์ก็คือเป็นนรกนั่นเองในขณะปัจจุบันนี้ใจใจสบายใจเป็นสุขก็เป็นสวรรค์เหนือสุขเหนือทุกข์ก็เป็นนิพพานขณะนี้เราก็ดูได้ดูตัวเราเองก็ได้อย่าว่าแต่คนที่ตายไปแล้วเลยถ้าปัจจุบันนี้ใจเราเป็นสุขก็เป็นสวรรค์ขณะจิตปัจจุบันนี้ใจเป็นทุกข์ก็เป็นนรกเวลาเราตายก็เป็นนรกจริงๆตกนรกจริงๆถ้าตายในขณะใจเป็นทุกข์ก็ตกนรกจริงๆ ถ้าตายในขณะที่ใจเป็นสุขก็ไปสวรรค์จริงๆตอนเหนือสุขเหนือทุกข์ไม่ติดอะไรสักอย่างเดียวก็เป็นนิพพานไปพ้นทุกข์ไปพ้นพ้ น, พ, นพ้นโลกทั้งสามไปไม่ต้องมากลับมาเกิดให้เป็นทุกข์ในโลกทั้งสามอีกต่อไปเนั้นคนที่ซึมเศร้าแล้วยังเป็นโลกไอ้ซึมเศร้าเป็นทุกข์อยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นจิตมันก็ไปสู่อบายอยู่แล้วแล้วยังฆ่าตัวตายอีกกรรมที่เกิดฆ่าตัวตายก็ต้องไปรับโทษทันในนรกเสร็จแล้วก็ เกิดเป็นมนุษย์ตรงมาฆ่าตัวตายฆ่าร้อยชาติได้ผลของกรรมที่ตัวเองทําไว้แต่เราก็สามารถที่จะแผ่เมตตาเขาได้หมดนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าบุญกุศลที่เราเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเรามีบุญกุศลมากพอที่จะให้เขาได้ไหมเปรียบเหมือนอย่างนี้คนที่ไปตกนรกเนี่ยในขุมลึกๆมันต้นไปเนี่ยก็เปรียบเหมือนว่าเขามีหนี้มากมีหนี้ถึง พันล้านสมมติอ่ะถ้าไปตกคุ้มนรกของิงสมมติอะนะว่าเป็นหนี้เปรียบเทียบเป็นหนี้พันล้านถ้านรกขุมตื้นๆก็เป็นหนี้ร้อยล้านสมมติอะทีนบุญกุศลที่เราให้เขาแต่ละครั้งเนี่ยตัวเราอะสร้างบุญกุศลบุญบา ร, รมีเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเรากี่ล้านที่ให้เขาไปถ้าเราเนี่ยสร้างกุศลแต่ละครั้งมีร้อยบาทได้ร้อยบาทสมมุติเราทําบุญที่กุศลที่ได้ส่วนที่น้อยคือทาน ทานส่วนที่น้อยเราก็ให้เขาได้ร้อยบาทสมมุติเน่ะแต่ร้อยบาทกับหนี้เขาพันล้านเน่ยมันได้ก็จริงเนี่ยแต่มันไม่รวยช่วยอะไรเขาได้เลยกว่าจะให้เขาทีละสิาบาทยี่สิบบาทร้อยบาทสิบาทยี่สิบาทร้อยบาทกว่าเขาจะได้ใช้หนี้ครบพันล้านพ้นจากนรกมาโอ้โหมันจะมันจะได้ไหมนั้น บุญกุศลที่เราจะแผ่เข้าได้ก็คือทานศีลภาวนาสามอย่างทานศีลภาวนาแต่ทานเนี่ยก็ยังได้บุญกุศลไม่เท่ากั น, นแล้วก็ทานเท่าไหร่ก็ไม่เท่าศีลศีลเท่าไหร่ก็ไม่เท่าภาวนาทําสมถะจิตสงบลงแค่งุตะวัดลิน้นช้างกระดิกหูจิตสงบนานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่เท่ากับมีสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุปล่อยวางร่างกายจิตใจของตัวเองเห็นว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาขณะจิตเดียวบุญกุศลมันก็แตกต่างกัน มากขึ้นไปเหมือนกับว่าเราทําบุญกุศลชนิดใดที่ทําถึงใจเราล่ะถ้าเราทําบุญกุศลชนิดนั้นถึงใจเรามันก็ได้บุญกุศลใหญ่มากแตกต่างกันไปทานไม่เท่าศีลศีลไม่เท่าภาวนาขั้นสมถะภาวนาขั้นสมถะกรรมฐานไม่เข้าขั้นภาวนาขั้น น, น, นิัสานากรรมฐานมันแตกต่างกันบุญกุศลนะเราทําแต่ละครั้งแหะเราทําบุญกุศลประเภทอะไรนะมันก็จะได้บุญบา ร, รมีที่แตกต่างกันแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ ถ้าเขาเนี่ยตกนรกไปขุมลึกเกินไปหนี้เขามากเปรียบเทียบกับจํานวนหนี้ก็ เ, เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเราให้ก็ทีสิบบาทยี่สบาททําบุญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็อุ้ยนานกว่าเขาจะขึ้นจากสวรรค์ได้เอ้ขึ้นมาจากนรกได้ยากยากยากแต่ถ้าเราเนี่ยโอ้มาบำเพ็ญภาวนาเลือกเอาบุญกุศลใหญ่เลยทานไม่เท่าศีลศีลไม่เท่าภาวนาภาวนาสมถะไม่เท่าวิปัสสนาเราทํารวดเลยทานศีลภาวนาเราก็ทําอยู่ ไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่เราก็เล่งภาวนาให้มากแล้วก็ภาวนาจิตสงบสมถะแล้วก็ปล่อยวางคัมภีร์ปเสนากรรมฐานปล่อยวางร่างการจิตใจตัวเองด้วยเราทํารวดเลยทําตลอดนี่บุญกุศลก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนหลวงปู่จันทาท่านหลวงปู่จันทาทาวโรเขาแม่ครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานจิตไม่นอนสามเดือนเดินจงกรมไม่หลับไม่นอนสามเดือนอธิษฐานจิตให้สัจจะอธิษฐานสะ บ, บานต่อพระพุทธเจ้าว่าจะเดินจงกรมสามเดือนไม่หลังไม่แตะพื้นกระดานเลย แล้วท่านก็ทําตามได้อย่างสดจา่าอธิษฐานจนเห็นร่างกายตัวเองตายเน่าเปื่อยผุพังแล้วท่านก็เ อ, อจิตของท่านสว่างสไยครอบคุมโลกธาตุหมดท่านแผ่เมตตาอย่างเงี้ยบุญบารมีเยอะแผ่เมตตาให้แม่ของท่านแผ่ทุกวันทุกวนักวนนะแม่ท่านก็พ้นจากโล ก, การตันรกมาเกิดเป็นลูกของหลานพอลูกของหลานเนี่ยเกิดมาพูดได้ปุ๊บว่าท่านเลยบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยลูกหลวงปู่จันทานเนี่ย แผ่ไม่ตายแม่แค่วันละครั้งแม่เลยต้องตกนรกนานถ้าแผ่ไม่ตายแม่วันละหลายครั้งแม่จะพ้นจากนรกมาตั้งนานแล้วดงั้นบุญกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยไปตกนรกขุมไหนมันลึกมากไหมอ่ะถ้าลึกมากมันก็ไปเท่ากับหนี้มันมากเราก็ต้องสร้างบุญกุศลบุญบารมีถึงขั้นโดยภาวนาเลยขั้นสูงสุดเลยเนี่ยมันจะเร็วมากแต่ก็ต้องโอ้โหตั้งใจจริงๆนะ แล้วก็ถ้ามันตื้นๆหน่อยมันแล้วมาเป็นสัตว์เดชฌานมันเกิดเป็นสัตว์ฌานมันก็นี่ก็ไม่มากนี่แต่ก็มากอยู่เพราะไปเป็นอบายไปเป็นอบายแล้วก็แผลไฟแต่ถ้าถ้าเรียบเทียบไปคือไปสวรรค์ตกกันข้ามท่านไปสวรรค์นี่ไปสวรรค์เนี่ยก็เปรียบเทียบว่าสวรรค์ชั้นต้นๆไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือเขามีเงินเขามีบุญบารมีเขาตัวเขามีเงินเยอะแล้วสมมติว่าเขามีเงิน สวรรค์เช่นต้นๆเปรียบเทียบมีเงินร้อยบาทเขาไปบนสวรรค์ได้บุญบา ร, รมีที่มีเงินติดตัวไปแล้วร้อยบาทแต่เราเนี่ยทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลทั้งบําเพ็ญภาวนาแล้วเราก็ให้ทานก็ให้ทานกับพระอริยสงฆ์ด้วยจนถึงให้ทานขั้นพระอริยสงฆ์หรือให้กับพุทธเจ้าเลยหรือว่าสูงสุดก็คือให้ธรรมะเป็นทานแล้วก็ให้อภัยทานนี่เป็นทานที่สูงสุดในทานบา ร, รมีทั้งหมดอันนี้ยิ่งยิง่งบุญใหญ่ แต่แม้แต่เราจะมีบุญใหญ่ถึงขั้นศีลภาวนาโอ้แต่เราเนี่ยเราทั้งให้ทานรักษาศีลภาวนามาสมถาวิปัสนาเราให้ทำครั้งหนึ่งมีเงินพันบาทสมมติเถอะนะแต่เขามีเงินติดตัวไปร้อยบาทเวลาเราให้เนี่ยเราให้ไปทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราทำครั้งนั้นนี่ยได้พันบาทยังจะยังรวมบุญบา ร, รมีเก่าที่เราให้มาด้วยนะอีกบวกไปอีกแล้วก็พันบาทในบุญใหม่ เขาแต่เขามีเงินติดตัวไปสวรรค์แค่ร้อยบาทเราให้พันบาทเนี่ยสมมติเราให้ไปรวมไปแล้วเป็นสองพันบาทบวกบวกบุญเก่าด้วยแล้วบุญใหม่สองพันบาทเขามีร้อยบาทโอ้เขาก็เอาแล้วเขากไไ็ได้ได้รับผลบุญจากเราเพราะเขามีแค่ร้อยบาทเราให้ไปทั้งสองพันบาทเนี่ยเขาก็ได้แต่พวกไปสวรรค์ชั้นสูงเนี่ยสมมติไปถึงรูปพระพรหมรูปพรพรหมแล้วเนี่ยหรือไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นเดียวกับพระศรีญาเมตไตรพุทธเจ้าของเราองค์ ที่จะมาเกิดพุทธเจ้าที่จะมาเกิดองค์ต่อจากพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตโอ้อย่างนี้มันก็เท่ากับเขามีเงินติดตัวไปปร ะ, ประมาณแสนล้านแสนล้านเราแผ่วที่สวนในส่วนในเขาเนี่ยพันบาทบวกของเก่าด้วยสองพันบาทแต่สองพันบาทเขามีแสนล้านเขาก็ได้เหมือนกันแน่แต่มันมันก็น้อยเกินไปที่เขาจะไปทาอะไร นี่มากเกินไปในนรกก็น้อยเกินไปที่จะพ้นจากคุมนรกได้ถ้ามันไกลมากสวรรค์ชั้นสูงมากของเราให้ไปมันก็น้อยเกินไปที่จะให้เขาเพราะว่าเขาเสพสุขของเขาอีกเต็มที่แล้วเออมันก็หยุดได้ส่วนใหญ่มันก็ได้อยู่แค่พวกวสัมเบสีพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องที่มาเป็นสัมเวสีอยู่ในอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่ยแหละอันนี้พวกเนี้ยมันได้แน่นอนเออ เราก็ให้ไปแต่เหลือสิ่งใดผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ได้เต็มๆเพราะอะไรก็ผู้ให้เป็นคนทําเป็นเป็นผู้ให้ทานเองผู้ให้เป็นคนรักษาศีลเองผู้ให้เป็นคนภาวนาสมถกรรมฐานเองผู้ให้เป็นคนภาวนาวิปัสสนากรรมฐานรู้ละปล่อยวางเองผู้ให้ได้เต็มๆและผู้ให้เป็นผู้แผ่เมตตาบารมีเป็นผู้มีเมตตาบารมี ผู้ให้เลยได้เต็มๆ เ, เลยทั้งทานศีลภาวนาเมตตาบรารมีได้เต็มๆนะผู้ให้ได้ก่อนไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราเนี่ยได้เต็มๆก่อนแล้วแล้วก็อย่าไปคิดว่าโอ้เราทำบูุญในทานรักษาศีลภาวนาได้มาครั้งหนึ่งพันบาทของเก่าอีกพันบาทเป็นสองพันบาทของเราก็หมดเลยดีให้เขา่ะหลายคนก็คิดอย่างนี้หวงไว้อีกไม่กล้าให้โอ้ยของเราก็หมดเกลี้ยงเลยที่อย่างนั้นอ่ะ ไม่หมดหรอก <c oughs> <c oughs> เออมันไม่ใช่ว่าเราเปรียบเทียบเหมือนเงินแต่จริงไ ม, ม่เหมือนเงินหรอกที่เราแผงเมตตาไปอ่ะท่านเปรียบเหมือนกับว่าเรามีเทียนไขแท่งหนึ่งแล้วเราก็มีไปขีดไปด้วยแล้วก็ไปในงาน อ, อจุดเทียนถวายพระพรที่สนามหลวงแต่คนอื่นเขาวิ่เทียนมาเขาไม่มีไฟแต่คนบอกเออเรามีคนเดียวสมมติอนะเราคนเดียวที่เรามีไฟไปเราก็จุดเทียนของเราเสร็จ เดียวเราก็สว่างแค่คนเดียวแต่ด้วยน้ําใจของเราที่มีเมตตาเราก็เอาไฟเทียนของเราไปจุดให้คนอื่นด้วยอํานาจแห่งไฟเทียนเราดวงเดียวสนามหลวงสว่างทั้งสนามหลวงเลยนนแน่เลยทําให้ไฟที่สนามสว่างทั้งสนามหลวงก็เป็นไฟที่ไปจากเรามันก็เลย บารมีเราก็แผ่ไปไพศาลครอบโลกธาตุจั ก, กรวาลเพราะจิตวิญญาณทุกดวงได้รับไฟที่ไปจากเรานั่นเองนี่แน่แล้วเมื่อเราจุดไปแล้วไฟของเราบารมีของเราก็ไม่ได้หายไปไฟของเราก็ยังติดเหมือนเดิมแต่เพิ่มบุญบารมีสว่างสวัยได้ไฟของเราไปทั่วโลกธาตุเราจึงเป็นผู้มีบุญบารมีมากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้